ลัทสมีที่กงแพงร่อมไว้นี้ห้าร้อยไร่ใะชีวิตยอยู่ร่วมกันที่นี่ตามพระธรรมวินยัยนี่ก็ขเขตไตมาตามเดือนอย่างน้อยหรืว่าส่วนรูปบัรรมเราอยู่ด้วยกันจริงแ่นนามบธรฑ์นั้น จีด้วยกันอย่างไรก็ไม่ทราบให้รู้เจใจตัวเองบางทีอาจจะระอยู่ที่ใดก็ไม่ทราบมั่วแต่พวกบุดพลนคิดว่าอยู่ในอาวามว่าอยู่ในโกกในเขตตำบ ม, ไ, มไหนก็ได้เราจึงต้องฝึกตนสอนตนเราเป็นอย่างไรล้วก็ต้องแก้ไขตนด้วยตน ตกเตือนตนรู้ตนเองให้ได้พัฒนาขึ้นกายอยู่นี่จิตใจไปไหนเราจึงมีกรรมฐานเป็นนิมิตเครื่องหมายเป้าหมายเพื่อจะได้อยู่ในวิหารธรรมบรรลเย็นไม่ใช่เราอยู่ วันนี้พุ่งนี้หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเราอยู่ที่นี่ที่ไหนก็อยู่ไปตลอดชีวิตมันก็เป็นภาพเป็นเลนเป็นเลนที่ถ่ายเอาไว้อย่างตาว่าเมือ่อวานนี้สวดธรรมะปาหังเราก็คิดถึงเคยได้สวดมาสามสิบกว่าปี มันก็เป็นภาพที่ชัดเจนร่วมกับอาจารย์พุทธทาสตาจารย์สัญญาธรรมศั์ท่านไปร่วมปฏิบัติธรรมฟังธรรมที่สวนโมกด้วยกันหลายชีวิตมันก็ยังมีภาพที่เราเป็นเลนชีวิตเราได้ชื่นใจได้สัมผัสตลอดทุกวันนี้ นั้นความดีความร้ายก็เหมือนกันเราจึงควรที่จะทำความดีเพื่อเป็นนิมิตเครื่องหมายมีคติเป็นที่หมายไม่ขัดสนไม่จนต่อกรรมที่เราได้ทำกันแต่ละวันตะวันไปนอกจากส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวม เราอยู่เป็นจำนวนว่าเต้องระมัดระวังมีวินยัยมีระเบียบการใช้ชีวิตไม่จะเกี่ยวกับบาดต้องรักษาให้ดีเราฉันก็ฉันในบาดฉันแล้วต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ตากแต่ดวนิดต่อยให้มันแห้งแล้วค่อยเจ็บไว้ตากนานก็ไม่ดี แล้วก็อย่าให้เป็นสาบเันขาวถ้าบาดมาเปิดเพื่อนไปเอยสิ่งโสกปกแล้วเราไปใส่อาหารแล้วก็มีปนเปื้อนทำใก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ถ้าทำวินในการรักษาบาทที่แม่นยำชัดเจนจีวรก็เหมือนกันที่นุ่งห่ม อย่าให้มีเกล็ดเหม็นชาบเหม็นขาวถ้าพื้นใดที่ใช่แล้วไม่ใช่อีกก็ต้องซักให้สะอาดจังค่อยไปเจ็บไว้ถ้าใช้แล้วไปเจ็บไว้วันหนึ่งสองวันก็เป็นปิ่นไปแล้วเหม็นแล้วซักไม่ค่อยออกแล้วก็เป็นที่หน้ารังเกียจของผู้คนอย่ให้มีเจล็บางทีถ้ามันชักมาออกก็ต้องต้ม ปุ่งต้มเอาใจใส่สักหน่อยหาต้องดูแลดีๆยียออนเครื่องนุ่งห่มที่ห่วสาสก็เช่นกันให้สะอาดเรียบร้อยมันปัดกวาดเช็ดถูข้อหลับข้อนอนเช็ดเท่าเช็ดเอาให้สะอาด มีลาสีก่อนนอนเข้าห้องนอนต้องล้างเท้าอย่ามักหมมมากายบางทีมีเชื้อโรคอยู่กับเม็ดดินเม็ดหินที่เราเดินอยู่ในดินในป่าเดินดินแล้วก็มีเชื้อโรคอากาศก็มีเชื้อโรคต้องใช้มาสอยเครื่องดื่มเครื่องดื่มน้ำเชื่วน้ําต้องล้างทุกวัน พยายามอย่าใช่เจ้าใบเดียวกันช้อนก็อย่าช้อนอันเดียวกันมีช้อนกลางสำหรับฉันตาฉันเป็นภาชนะนระมัดระวังไม่เหมือนแต่ก่อนทุกวันนี้ก็มีไข้หวัดพันใหม่ต้องพิถีพิถันเข้าห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้งแปลงฟันราชินข้าวเสร็จให้สะอาด อย่ามากง่ายตัวเราจะได้กินเราคนอื่นก็เตร็มทีแล้วต้องพิธีพิธนันรูแลรักษาตัวเองให้คุ้มเครื่องใช้ไม้โสรของตอนเองจะให้หมักหมมในที่กับที่นอนบางที่เราอยู่ในป่างูบางประเภทงูพิษบางประเภทชอบมาอยู่ก็พี่อยู่ของเราไม่อะไรที่กองที่ รับกันไว้มันรู้จักมันรู้จักอันไหที่คนไปใช้ไม่มีการเคลื่อนไหวถึงหกวันเจ็ดวันอา จ, จะมีสัตว์มีพิษไปอยู่ในนั่นแล้วต้องให้สอาดอยู่เสมอในพื้นห้องกติอย่าให้มีอะไรเจ ก, กะยกขึ้นเหนือพื้นได้ก็ดีถูให้สะอาดมีงูพิษมีอะไรมันชอบนอนอยู่เลย ใกล้ๆคนก็มีเช่นสามเบี่ยมเช่นอะไรต่างๆนี่เคยมีเหมือนกันโดยเฉพาะเหล่าฤดูฝนฝนตกตลอดคืนวันมังก็หนาวอะไรกินอะไรอุ่นของคนอาจจะเลื่อยมานอนด้วยก็ได้แต่มันลกหลงลังที่นอนหอนอง่วงตื่นขึ้นมาต้องเก็บให้เรียบร้อยอย่าเลียดลาดไว้ ก็จะมีงูที่เดินไปเดินมาแล้วระมัดระวังไม่ไปฉายต่มีงูกลางคืนกลางคืนก็มีงูพิษบางประเภทโดยเฉพาะฤดูฝนนี่งูสัตว์มีพิษมักจะเลื้อยคานถ้าทฤดูฝนไปแล้วสัตว์เลื้อยออพิษไม่ออกหาเย็นไม่ประสมพันธุ์ดูนี้ สัตว์บางเพศะสมผันกันมันดุมันมีอารมณ์แรงแล้วก็เรจาจักพรงหัดการใช้ชีวิตแต่ละวันลูกเกตื่นก็จะลุกดี้ลุกหลนมันเบาๆเวล้วก็ลุกเวลาจะนอนอย่าลุกดีลกลก้ลุกหล น, น, ลลนถ้าสัตว์มีพิษมันนอนอยู่มันตื่นตกใจมันก็โกรธเราถ้าเราค่อยมันก็เป็นลาย การใช้ชีวิตเนี่ยบางทีมันก็รู้แต่ก่อนมีช้างมีเสือมีงูยเยอะแยะนี่คนไม่มากมันชนะเราเราก็แพ้มันไปที่เดมันครองแล้หมดเราก็เลยมีอำนาจ้ากเดี๋ยวนี้ผู้คนก็มีมากขึ้นก็ถอยไม่สู้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปจะเอกกับมันอย่าง แต่ท่านหั น, นก็ไม่ว่าอะไรบางทีเราเดินไปเดินมามันเห็นเราแต่เราไม่เห็นมันแต่บางคนเดินไม่งามสายไปก็เหมือนกันอยากแก่งหน้าแก่งหลังสายไปต้องบรรจงบรรโกรดเหมือนกันนะ่ะสัตว์นะ่ะมันไม่ชอบแล้วก่อนก็เดินอยู่ในป่าบางคนเดินสายไปกลางคินเข่งก็เห่า สัตว์งประเภทมันก็ด่านกก็ด่าได้กวางก็ด่าเช่นงก็ด่าช้างก็ด่าเสือก็ด่าถ้าเดินไม่ดีมันก็ไม่ชอบคมลุกรี้วลูกหลนของคนมันก็ดูนิสัยของคนอยู่สัตว์ในป่ามันไม่ใช่มันไม่ดูมันชอบใครมันก็อยู่ใกล้เราได้มันเป็นพิษมันเป็นเพื่อนกับป็นได้ถ้ามัเซอศัตรูกับใคร กลิ่นตัวไม่สะอาดจีดามะรียดไม่เรียบร้อยมันก็โกรธไม่พอใจไม่ชอบเหมัอนกันแต่ได้กลิ่นแล้วไม่สะอาดมันชูคอเส้นงูจงอางงูเหา่ามัไม่ชอบกลิ่นที่โสกครกก็กลินสะอาดเั้นพวกเราไม่คีพระสงฆ์ผู้ที่มีธรรมวินัยดีงูจงอางก็ไม่ค่อยจะชูคอ ถาชาวบ้านไม่กินบุหรีกินเหล้ากินผ้ามันก็โชว์คอใส่มันไม่ก็ไม่ชอบเหมอนกันอันนี้ก็เป็นไปได้เคยจะเอะกันกับเสือบ้างกับสัตว์มีพิษบ้างบางทีแล้วก็คุ้นกันเห็นกันมันก็เฉยได้เสือก็เฉยได้ ส้างก็เฉยงูก็เฉยเคยไปเจ้าเอะกับผงเลีงสมัยหนึ่งให้เล่าซะหน่อยมั้ยอยู่ถใหญ่กลางดงชมพรเดินทุดดง่งนัดกันจากสวนโมกว่าใจไปพบกันที่กลางดงชมพรในถ้ำใหญ่มีพระเพื่อนกันเคยไปอยู่นัดกันไปแต่ก่อนนั้นำ ท, ที่ใดภูเขาที่ไลยมันชอบ เดินน้ากันไปพบวันในวันนั้นแล้วก็เดินไปตามแผนที่มีบ้านตอนหลังหนึ่งอยู่กลางดงบ้านตอนคือบ้านไครคือบ้านกรมทางอยู่หลังเดียวมีครอบครัวดเดียวกลางดงกลางป่าก็เดินไปถามว่ามีพระเข้าไปนี่หรือเปล่าตอนบอกว่าไม่มี ก็เป็นเวลาพบข้ามแล้วตอนก็รับรองว่าไม่มีแน่นอนไม่หนีไปไหนบนนี้ถ้าพระมาจะเข้าไปดงก็ต้องผ่านทางนี้นี่ทางอื่นก็ไกลแต่าทางนี้เดินไปจิตก็กมอก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอาจจะไปทางอื่นหรือเปล่ากลัวจะผิดรัฐเรก็ตอนก็ห้ามเราเราก็กลัวจะผิดนัฐกับเพื่อน เลยตัดสินใจไปเดินอ่าดวงวงไปไปมันก็มืดไปถึงถ้ำว่าจะเข้าไปในถ้ำผงเลงกระหมู ต, ตัวใหญ่อยู่ในถ้ำเต็มไปหมดแล้วมันเห็นเราเดินเข้าไปมันก็โกรธเราตีหนะ้ากระดานออกมายิงเขีย้ยวยิงฟันโขูเราเราก็เห็นผงเลง มีตัวใหญ่เท่าตัวเราเนี่ยแล้วก็ถอยหลังออกมาก็ไม่ได้กลัวอะไรเราก็นึกว่าเราก็บริสุทธิ์ใจเขาคงไม่ทำร้ายเราแม้เขาจะทำร้ายเราก็ไม่สู้กับเขาเราจะยอมต่างอย่างสง่างามแล้วก็ถอยหลังออกมามาก็เดินตามกระานออกมาแล้วเรามองหน้ามันทีเดียมันก็ยิ้เขี้ยวใส่ โล่ขูเราเราก็ไม่มองหน้ามาันแล้วก็เฉยๆถอนลองออกมามาอะไรก้อนเห็นหน้าหน้าท่ำบาเลยนั่งลงตรง น, นั่นเลยกล้าเอากฎออกมามากลางมุ้งนอนที่นั่นเลยจะไปไหนบุญวายเขากลัวว่าเขาจะโกรธเราเราก็ขอได้พูดในใจคิดในใจว่าขอโทษอะ เราไม่รู้อะไรพวกเธอทั้งหลายอยู่นี้อย่าถือว่าโมลบกวนในที่นี้ก็มีพระพุทธรูปลิมก็ไปงอยอยู่บนหัวพุทธรูเปเต็มไปหมดเลย แ, แล้วก็คิดในใจขอโทษเขาออกมาแล้วก็นอนเพราะมันคับเกิดแล้วนอนก็หลับไปเลยพอตื่นขึ้นมาประมาณตีหนึ่งได้กลิ่น กลิ่นกเป็นกลิ่นเสือที่มื่อเคยรู้จักว่ากินเสือไม่เคยได้กินเลยแต่พอได้กลิ่นรู้ว่าเป็นเสือทันทีแล้เราลุกขึ้นนั่งมองออกไปนอกมุ้งไม่ไกลเท่าไรเห็นนั่งค้ามุมอยู่ว่าคิดว่านี่อะไรเสือมันนั่งอยู่นี่แล้วก็มุ้งของเราก็เป็นมุ้งสีขาวสัตว์มันกลัวกลางคืน ถ้ามุ่งสีกักสีอะไรอาจจะไม่กลัวแล้วก็เลยเอาเยียนมาจุดอันหนึ่งมันคือสัตว์เนยมันกลัวแสงเสียงไฟแต่มันไม่กลัวไฟฉายอยู่ในป่าเนี่ยวันไหนช่างรบกวนมันพ่นจะงกพี่แพ้่พี่แพร่แล้วก็มาใกล้กติแล้วก็จุดเอาอผ้า ว่นเป็นเกี่ยวจุ่มน้ำมันไว้แค่ข้อมือเนี่ยก็จุดไฟกระยอนลงหน้าตามก็หนีไปมันกลัวปล่อยแต่ปฉายมันไม่กลัวให้ไม่ได้ก็จุดเทียนเราตั้งไหวบนถั่วอมองว่ามัา่วลุกไปเลยเสือตัวลุกปึ๊บปึ๊บป๊บปบปบไปเลยแล้วก็ดูสังเกตการมันหนีไปแล้วก็ก็เลยนั่งนั่งนอนนอ น, น, อนเล่นอยู่นั่น เรตื่นเชา้าขึ้นมาก็ไปดูรอยมันไม่ลอยเสือจริงเหมอนขาวเหมอนสาบนี่ก็ถ้าเราไม่กลัวอะไรคิดว่าเขาไม่ทำลายเรามันก็อาจจะเป็นรหัสที่ดีแล้ววางอันตรายครับชีวิตเราได้มันกันบางข้ามบางขา่าวก็จะก็รู้ว่า เสือมกำกัดคนใดเวลาใกล้จะสว่างแสงทองแสงเงินขึ้นเราก็เลยไม่ออกจากมุ้งเลยนั่งอยู่ในมุ้งนั้นจนแสงแดดส่องมาล้วก็ลุกจากมุ้งครับมุ้งครับอะไรใส่บาดเดินออกมาหาบ้านตอนบ้านตอนก็าบอกว่าโอ้ยผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยเป็นห่วงท่านมีปัญหาอะไรไหมโทว่ามีนิดหน่อย ผมเป็นห่วงท่านมากเพราะมีศัตรูมีเสือมีอะไรเยอะๆในตรงนีแลอวก็จำหาหารเช้าเอาไว้เราก็เดินทางต่อก็ขอร้องขึ้นรถยายบอกว่ามันไม่ขึ้นก็นได้จะเดินเอาเพะตั้งอธิษฐานว่าเดินเท้าไม่นั่งรถนั่งเรือ ในบางทีอ่ะมันก็เจเอกันแบบนี้ถ้าเรามีจิตใจดีๆนั่นก็ไม่เป็นอันตรายอย่าําท่าจะต่อสู้อะไรกับเขาเฉยๆไปก่อนมันก็เห็นหน้ากันมันเราเห็นหน้ากันเนยไม่เป็นมิตรกันเลยมองหน้าก็เป็นมิตรแล้วตาของความเป็นมิตรมันก็บอกใช่ไหมในแต่จัดร้ายมันดุ เราก็รู้สัตว์มีพิษเราก็มองตามาก็รู้คนมีพิษก็มองตาก็รู้จางูมีพิษเนี่ยด้วยจะไหมมองตามันตางูจะไตยตาลีล <c> ี <oughs> ตาลีลีเหมือนอะไเนี่ยตาลีนะอเนี้ยอันนั้งนนงูมีพิษขิ่วโปโปตาลีตางูตัวไตยตาโผล่อย่างเนี้ยไม่มีไม่พิษเลย มันก็บอกลักษณะของมันนะตาตาโป้โเนี่ไม่มีพิษหรอกตาตาเรียงนี่ระวังให้ดีนั่นก็ให้เป็นมิตรกับเขาบางโอกาสแต่คนร้ายคนไม่ดีเราไปแสดงเป็นบันดิตมันก็อันตรายต่อเราถ้าคนเขาเป็นคนดีแล้วไปแจ้งเป็นคนพานเขาแปลนตายต่อเราต้องปรับตัวบ้างบางโอกาส แต่พกโชคพบผลพบสัตว์ไล่ม mm ี hmm. พิษ่างไรก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวหลังท่าหวางทางอย่าเป็นศตรูกับเขาอย่างนี้การใช้ชีวิตบางทีมันก็เป็นศินละปะไปในตัวกับการปฏิบัติธรรมนักษาการละเทศะตามเหตุตามปัจจัยเวลานี้ก็ไขวัดสายพันธุ์ใหม่ มันก็มีเชื้อโลกอยู่การใช้ชีวิตร่วมกันถ้าเรามารักษามีระเบียบมีวินัยดีมันก็ไปที่บักหมอมของเชื้อโลกได้ในวัดว่าลามานี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีสุขภาพเพียงแรง อ, อ่อนแองกินอาหารให้อิ่มเพียงพอกำลังกายพอประมาณอย่าโหมเกินไปเดินจังกรมสร้างจังหวะ อย่านอนรับสอับสไลกลางวันเกินไปพักก่อนบ้างทํามันเหนื่อยมากถ้าไม่เหนื่อยก็ไม่เป็นไรถ้าหลับกลางวันก็าคืนจะไม่ค่อยหลับมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ถ้าหลับก็หลับแต่หัวค่ำบ้างก็ดีถ้าหลับดึกเกินไปหลับก่อนสามทุ่มดีที่สุดถ้าเวลาหลังเที่ยงคืนแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์ การพางผลล่อนเรานอนรอนฉันก็ต้องเป็นเวลาเวลาอย่าฉันปลําปลาอาดกระเพาะให้จักเวลาย่อยเวลาพักผรอนนปลําป ล, ปลานีย่ยก็ฉันฉันไปมันก็ไม่ค่อยมีระเบียบการขับถ่ายก็เช่นกันพยายามหัดถ่ายให้มีเวล่ําเวลาถ้าไม่หัดก็ไม่ไม่เป็นนะ การจินหมดเนี่ยมันไม่ย่อยกระเพาะไม่ย่อยคือจินไม่ลงเวลาถ่ายก็ไม่หัดว่าถ่ายไม่ถูกต้องเวลาบางทีเดินทางไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังการอยู่กันจีนไม่ช่ไม่ระวังบางทีการเดินทางไม่ค่อยสะดวกในการขับถ่ายก็ต้องเอาที่อดทนจะทําทให้ ปรับเรื่องปรับตัวได้ดีตั้งกายทุาสิ่งรวบล่องการเวลาก็เหมือนกันในชีวิตจิตใจเราก็เหมือนกันโดยจะปรับมันหลงรู้มันอ่อนแอเข้มแข็งในเข้มแข็งในความอ่อนแอให้เป็นในความ เ ล, ลือดร้อนจิตใจเล่าร้อนเย็ดให้มันเป็นบาลาว่าให้มีความเย็นได้ในเตาหลอมเหล็กดีที่สุดถ้าเย็นอยู่ในห้องแอร์มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเย็นในความร้อนมันจะดีเช่นแสงความทุกข์ความสุขก็เหมือนกันจึงมีวิธีปฏิบัติปน่ะนี่ยเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้สุขไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์ แม่หมอจะมีโกรธมีกิเลสตัณหาก็เห็นอย่าเป็นผู้มีกิเลสตัณหาวันหลงตรงไหนรู้ตรงนั้นจนลื้อถอนได้เป็นจั ก, กรยทิฏฐิถอนความหลงออกจากทิฏฐิมันควหลงมามีทิฏฐิสําคัญมั่นหมายจั ก, กรยทิฏฐิเห็นผิดทำไมเห็นถูกอยู่โดยชอบให้มาก จัดการกับตัวเองให้ดียุ่งเรืองให้ดีเรียกว่าทำไม่ไนายช่วยตัวองบ้างช่วยคนอื่นบ้างใจกล้งกลุงหวงขวงอย่าคับแคพบพเราไมไ่ทำอะไรก็คิดจะช่วยคนอื่นต้นปวยในจิตอื่นของเพื่อนโดยทำได้ก็ขนขวยเอาไว้จะได้มีน้ำใจ เป็นอัปปมัญญาไม่มีขอบเขตในความรักในความบาดฐานดีไม่มีขอบเตบขบเตกร่องใหญ่ไพศาลเป็นมหากราธิคุณเหมือนพระพุทธเจ้าเราอยากรู้พระพุทธเจ้าก็เอาคุณของพระเจ้ามาไว้ในเราคนของพระพุทธเจ้านั้นตัวอย่างที่เราอยู่ใกล้ๆเราคือเมตตาที่คุณ เป็นการนำทางคิดจดิิงใดผู้จิงใดทำาริงใ ด, รงดประกอบด้วยเมตตานี่ลักษณะของพุทธเจ้าคุณต่อไปกบรุ่นาที่คนไม่ใช่คิดเฉยๆพอจะช่วยก็ช่วยบันบายแต่นาที่คุณช่วยเหลือตามกำลังของเราเห่นเมตตาเห็นคนตกน้ำ น่าสงสารหนอน่าสงสารหนอแล้วก็ไม่ประโยชน์กุ่นาคือช่วยลงไปยื่นท่อนไม้ทิ้งเชือกทิ้งไม้ลงไปให้เขาจับเด้งเขาขึ้นมาถ้าเราไม่มีแรงที่จะไปช่วยเขาด้วยหาวีธีอื่นๆนำเก่กาลุน่าเข้าไปช่วยเหลือโดยความคิดตดยคันเป็นเพื่อนถ้าไปเป็นเพื่อน จบอกการนาที่คนทำเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาทำเรองยากเป็นเรื่องง่ายให้ตัวเราก็เห็นกันในคนหนึ่งเขาเห็นกันอริสามแบบบริสุทธิ์ที่คนดำเชงใดลงไปด้วยความบริสุทธิ์ใจหลังฆ่าตอบแทนได้ไม่เรียกร้องฆ่าตอบแทนด้วยความบริสุทธิ์ที่เจอข้อที่สี่ก็ปัญญาที่คนมีปัญญารอบรู้ กับการาเทศะแล้วเรามีคนสี่อย่างนี้แล้วก็ใกล้คิดกับพุที่เจ้าหรืว่เป็นญาติกันเลยน้อมเอาไว้ในเราเนี่ยมันก็ไม่เหลือวิสัยที่เราทุกคนทำได้ได้ไหมจำได้ไหมเลีกน้อยสี่อย่างอะไรบ้างเอฮอเมตตาที่ควร อในหัวใจคู่เจึงได้ทําจียนใดคิดเจียนใดประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้ารับหลังในเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างเกล้าที่คุณช่วยเหลือตามความสามารถบริสุทธิ์ที่คุณทำลงไปอะไรทุกความบริสุทธิ์ใจไม่หวังค่าตอบแทนคิดเอาให้มากเสียน้อยกอบเมตเพื่อประโยชน์ อันนั้นก็ไม่ใช่มิตรแทร้เป็นมิตรเถียมไปปัญญาที่คนรอบโล้เพื่อไขอความร้ายเป็นความดีอยู่เรลยเรามันหลงให้มันรู้เวลามันทุกข์ให้มันรู้ปัญญาที่คนสามสี่อย่างนี้อยู่โดยชอบไม่ใช่อยู่ปราสกุโตนะอยู่โดยชอบอยู่ในการปฏิบัติตัวลงไปพิสูจนตั้งหลายเมกเธออยู่โดยชอบ โลกจะไม่ว่างจากพรัหงนพระเจ้าตัดอย่างนี้คืออยู่โดยชอบลเลยนะตามใจทำไวไในใจเราเป็นคนเท่าคนใจก็นอนทำไว้หนใจไม่เป็นไรไม่ใช่ขยันกันแสงตัวนี้อาจจะไม่ได้มาทำวัดนะจะเตรียมตัวเดินทางไปค้นเจนแต่เช้า ก็มีอาชีพเรื่องนี้ยังมีรอดวิชาในกรรมฐานอยู่อยากจะบอกจะสอนคนว่าฐาดีอย่างไป